นี่ผู้คนต่างร่าเริงแจ่มใสนะต่างยิ้มแยม้มแช่มชื่นเพราะว่าจะได้มาทำบุญร่วมกันนะบุญกระถิ่นเป็นการทำบุญที่สำคัญที่สุดนะถ้าพูดในแง่เทศกาลประเพณีนะเป็นบุญที่ใหญ่ที่สุดของปี ไม่ว่าวัดไหนก็ตามเมื่อจะได้มาทำบุญร่วมกันนะและเรารู้สึกสดชื่นแจ่มใสอันนี้ก็เป็นบุญแล้วล่ะนะถึงแม้ว่าพิธียังไม่ทันจะเริ่มนะการทอดผ้านะยังไม่ได้ทําแต่ว่าเพียงแค่เรามีความแช่มชื่นเบิกบานนะอันนี้ก็ถือว่าใจเป็นบุญแล้วนะเพราะบุญนั้นเนี่ย ผู้จ้าตัดว่าเป็นชื่อของความสุขนะแต่ต้องเข้าใจนะว่าสุขกับความสนุกไม่เหมือนกันนะสนุกเนี่ยอาจจะไม่สุขก็ได้นะแต่ว่าสุขโดยที่ไม่สนุกนะมันก็มีนะโดยเฉพาะความสุขที่เป็นความเย็นใจสุขที่ได้ทําความดีแต่ว่ากระถินเนี่ยนะเขาก็จะมีอ่า บรรยากาศความสนุกสนานเรื่นเริงไปด้วยนะอันนี้ก็เพื่อหนุนส่งให้เรามีความามีชันทะในการทำบุญมีชันทะในการทำความดีเพราะว่าคนทั่วไปนะจะทำสิ่งดีงามได้เนี่ยมันก็ต้องใหม่ๆก็ต้องมีความสนุกสนานเรื่นเริงมีสิ่งจูงใจนะ เพื่อให้เข้ามาที่วัดนะสมัยก่อนนี่คนเข้าวัดนี่ไม่ใช่เพราะว่าสนใจธรรมะหรอกนะเพราะว่ามันมีความสนุกสนานรื่นเริงแต่ก่อนมหรสศพก็จัดกันที่วัดไม่ได้จัดที่นอกวัดนะมหรสศพต่างๆก็จัดที่วัดนะแล้วหนุ่มสาวก็มาเจีบกันไม่ได่ที่ไหนนะไม่ได้จีบกันที่ห้างสรรพสินค้าหรือโรงหนังหรือว่าผับปลาคาเฟ่นนะ แต่มาจีบกันที่วัดนะอย่างพรายงามกับนางวันทองเนี่ยนะก็มาเจอกันที่วัดนะเราคงจำได้อันนี้ก็ไม่ใช่เพราะว่าวัดนี่มันกลายเป็นบิ๊กนะแต่ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าต้องการที่จะจูงคนให้เข้าหาธรรมะสำหรับคนทั่วไปก็ส่วนหนึ่งก็สายความส่งสนานรื่นเริงนั่นแหละนะคนก็มาวัด เราก็ได้มีโอกาสทำความดีได้มีโอกาสมาฟังทำได้มีโอกาสทำบุญนะโดยเพราะบุญที่มันเป็นการให้ทานเนี่ยคนที่มาทำร่วมกันก็จะรู้สึกสนุกสนานได้หรือมีความสุขได้ง่ายวัดเรานี่ไม่มีมหหรสพนะแตถ้าเป็นการทอดกรถิ่นที่อื่นเนี่ยเขาจะมีมหหรสพนะแต่ว่าบางครั้ง หมหรสพที่มุ่งเพื่อความสนุกเนี่ยมันก็มากรบสาระทางธรรมไปทุกวันนี้เนี่ยนอกวัดก็มีความสนุกสนานพอแล้วนะมหมสราศก็มากมายเพราะฉะนั้นที่วันนี้บุญกรถินก็เลยไม่มีหมหรสพนะแต่ว่าจะเติมเรื่องธรรมะเข้าไปแต่ก็ไม่ทิ้งนะบรรยากาศของความรื่นเรอ ง, รองช่มชื่น นะซึ่งมันก็เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติอยู่แล้วเวลาคนร่วมกันทำความดีเนี่ยเมื่อคนมาร่วมกันทำความดีโดยเพราะการทำบุญเนี่ยโดยเฉพาะการให้ทานเนี่ยเราจะรู้สึกมีความสุขได้ง่ายนะอย่างพวกเราหลายคนนะก็ในที่นี้มาก็มาด้วยความหน้าตายิ้แย้มแจ่มใสบางคนก็ไม่ได้มาเปล่าๆนะเอาหม้อเอาครัวมาด้วย เพื่อมาตั้งโรงทานไอการทำโรงทานนี่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นงานสบายนะต้องตื่นมาบางทีแต่ตีสามตีสองแล้วก็มาทำอาหารมาทำครัวทำขนมให้พวกเรากินเหนื่อยก็เหนื่อยนะแต่มีความสุขนะเห็นไหมความสุขเนี่ยบางทีมันเกิดขึ้นไม่ใช่เพราะความสบายอย่างเดียวความสุขจะเกิดขึ้นจากการที่ได้ทำความดี แม้จะเหนื่อยนะแต่ว่าเหนื่อยกายเท่านั้นแต่ใจเป็นสุขนะเนื่อที่ออกมาเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากน้ำมนนะไม่ต้องรอน้ำมนจากพระนะน้ำมนเนี่ยเราสามารถที่จะทำขึ้นในเองเมื่อเรามีความเพียรในการทำความดีอย่างเช่นมาตั้งโรงทานนะหรือมาช่วยพัฒนาวัดเพื่อต้อนรับคณะกฐิน นะก็เหนื่อยกันนะแต่มีความสุขนะสุขใจสุขเพราะอะไรสุขเพราะได้ทําความดีโดยเพราะถ้าทําความดีร่วมกันก็จะมีความสุขได้ง่ายนะอย่างแล้วก็ตามเนี่ยการทําบุญนะมันไม่ใช่ว่าต้องทําหลายๆคนอย่างเดียวนะการทําบุญบางครั้งเนี่ยต้องทําคนเดียวนะการทําบุญบางครั้งต้องทําคนเดียว การทำบุญที่ต้องทำก็เดียวคืออะไรนะก็คือการภาวนานะการทำสมาธิภาวนาการปฏิบัติธรรมหรือการเจริญกรรมฐานเนี่ยนะถึงแม้ว่าจะมาปฏิบัติกันหลายคนนะมาปฏิบัติกันเป็นร้อยแต่ว่าต่างคนต่างทรรมไม่พูดไม่คุยกันอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญนะของการของการทำบุญทำบุญนี่มันไม่ได้มีแค่การให้ทาน นะอย่างที่เรามาทํากันวันนี้นี่เรียกว่ามาช่วงกันบําเพ็ญทานเรียกว่ากตินทานเรามาทํากันหลายคนแล้วเราก็มามีความสนุกสนานกันโอภาปราศัยกันมีความสุขช่วยกันคนละไม้คนละมือทําอาหารทําผัดไทยกว๋วยเตี๋ยวหรือว่าปลาท่องโกเนี่ยอันนี้ก็เป็นการทําบุญที่ทําร่วมกันแต่ว่าการทําบุญบางอย่างเราต้องทําคนเดียวนะก็คือสมาธิภาวนา แต่สมาธิภาวนานเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าต้องมานั่งหลับตาอย่างเดียวนะบางทีเราปฏิบัติธรรมได้โดยการที่เราออกไปเจอผัสสะออกไปเจอสิ่งกระทบและเราสามารถที่จะทำความสงบใจให้เกิดขึ้นได้กา ร, กรทอดกถิ่นเนี่ยนะมันเป็นการเหมือนกับเป็นการบ่งบอกว่าการออกพรรษาที่แท้จริงกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะ เมื่อวันที่แปนี้เป็นวันออกพรรษาตามประเพณีแต่ว่ามันยังไม่ใช่การออกพรรษาที่แท้จริงคนะรการออกพรรษาในทางปฏิบัติเนี่ยเริ่มต้นเมื่อทอดกรถินเสร็จเพราะว่าออกพรรษาแล้วนี่พระก็ยังอยู่วัดนะไม่ได้ไปไหนยังไม่มีพระศึกนักปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในวัดแต่ว่าพอพ อ, อทอดกรถินเสร็จนะพระก็จะเริ่มนะแยกย้ายกันบางท่าน ก็ศึกหาลาเพศไปบางท่านก็เริ่มออกทุ ด, ดงบางคนก็ออกเดินสายอันนี้เราเป็นการการออกพรรษาอย่างแท้จริงมันจะเริ่มเมื่อถอดกรถินเสร็จแต่ว่าอย่างที่บอกไว้แล้วว่าแม้จะออกพรรษาแล้วแต่ว่าอย่าออกกับธรรมการปฏิบัติธรรมยังทําต่อไปเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราออกไปข้างนอกเนี่ยการปฏิบัติธรรมอาจจะ เป็นการปฏิบัติโดยไม่ใช้รูปแบบนะไอการปฏิบัติในรูปแบบก็ควรมีนะทุกวันก็ควรทำนั่งสร้างจังหวะเดินจงกรมแต่ว่าเวลาส่วนใหญ่ก็คงจะเกี่ยวข้องกับผู้คนเกี่ยวกับงานการตรงนี้ก็ปฏิบัติทาได้นะปฏิบัติทำเนี่ยไม่ว่าทาที่ไหนเนี่ยมันจะมีนิวรณ์อยู่5ตัวที่มารบกวนนิวรก็คือสิ่งที่ อารมณ์ที่มารบกวนจิตใจเป็นอุปรสรรคขัดขวางการทำความดีเดวลาเราปฏิบัติในรูปแบบเนี่ยเช่นเดินจงกรมสร้างจังหวะนีทำคนเดียวในกุฏิหรือว่าในลานจงกรมเนี่ยมันมักจะมีนิวรณ์สามตัวหลั ก, ลกๆที่มารบกวนก็คือความง่วงความฟุ้งซ่านแล้วก็ความรังเลสงสัยอันนี้คนที่ปฏิบัติทำนะรู้ดีนะหลวงพ่อท่านก็เล่าเมื่อวานนี้จาก คำบรรยายของท่านเนี่ยว่าตอนที่ท่านเริ่มใหม่ปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยความง่วงมาเลยนะยกมือยังไม่รู้ตัวก็มีความง่วงแล้วก็ความฟุ้งซ่านแล้วก็ความรังเลสงสัยว่าเราทําถูกรึเปล่าเนี่ยมาทํานี่ดีไหมนะอีกสองตัวเนี่ยมันก็มีแต่ว่าจะมาทีหลังแล้วอาจจะไม่เด็ดเท่าไหร่ก็คือการมาฉันทะนะความอยากนั่นเอง แล้วก็ปัตยาบาศคือความหมงุดหงิดอาจจะรวมไปถึงความโกรธและความเครียดแต่พอเราออกไปข้างนอกเนี่ยนะออกไปข้างนอกไม่ว่าจะในฐานะผู้ที่เพิ่งศึกหาลาเพศไปในฐานะโยมหรือว่าในฐานะยังเป็นพระอยู่ยังเป็นแม่ชียังเป็นนักปฏิบัติอยู่ไอ้ <c oughs> สองตัวที่ว่าสองตัวที่จะต้องเจออย่างชัดๆเนี่ยก็คือ การมาฉันทาหรือการมราคะความอยากซึ่งไม่ใช่แต่เฉพาะเรื่องความอยากในเรื่องเพศแต่ว่าจะรวมถึงความอยากในเรื่องความสนุกสนานความเม็ดอร่อยอยากกินอยากฟังอยากดูหนังอยากเที่ยวรวมทั้งอยากซื้อโนทนอยากช้อปปิง้งจับจ่ายใช้สอยกับความกับความโกรธนะพยาบาทนะความมุ่งร้ายไอ้ตัวนี้เนี่ยนะมันเป็นตัวที่เราต้องเจ อ, อค่อนข้างเด่นเลย เพราะว่าข้างนอกเนี่ยมันมีสิ่งเย้ายวนแล้วก็สิ่งยั่วยุยั่วยุให้โกรธแล้วก็เย้ายวนให้อยากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องอาศัยการปฏิบัตินะเพื่อที่จะรับมือกับอารมณ์เหล่านี้ถ้ า, าว่าต้องการความสงบถ้าคนที่มาปฏิบัตินะนั่งสมาธิตามลมหายใจแต่ว่าไม่สนใจหรือว่าไม่ไม่ระมระวังที่จะรับมือกับอารมณ์ที่มากระทบเนี่ยก็จะทุกข์ใจได้ง่าย มีบางคนนะไปเข้าคอสเวลานั่งเวลาทำสมาธิอยู่ในห้องแอร์ก็สบายดีเย็นสบายตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นพอออกมาจากศาลาจะขึ้นรถกลับบ้านจะขับรถกลับบ้านไปเห็นรถของตัวเองเนี่ยออกไม่ได้เพราะว่ามันมีรถอีกคันหนึ่งจอดซ้อนเอาไว้ออกไม่ได้ไม่พอใจทันทีนะโกรขึ้นมาเลยดา่าคนที่มาจอดรถซ้อนวันนี้ไอ้นี่ไม่มีมารยาทเลยนะอันนี้แสดงว่า ไม่ได้ปฏิบัติแล้วนะไม่ได้ปฏิบัติแล้วไปปฏิบัติแต่ในห้องแอร์ไปปฏิบัติแต่เวลาอยู่คนเดียวแต่เวลาออกมาข้างนอกเจอรถเจอผู้คนแล้วเนี่ยลืมปฏิบัติไปปล่อยให้ความโกรธขึ้นมาจนกระทั่งไปด่าเขาถึงแม้เจ้าตัวไม่อยู่นะอันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะให้รู้ว่าเนี่ยปฏิบัติแล้วนะต้องรักมือแล้วรถคนเข้ามาจอดรถซ้อนคันเราซ้อนคันของเราเราก็ต้อง ตั้งสติให้ได้ไอตอนที่รับมือกับเหตุการณ์แบบนี้นั่นแหละต้องอาศัยการปฏิบัตินะไอตอนอยู่ในศาลาอยู่ในห้องอยู่ในห้องแอร์เนี่ยมันจะมีความง่วงมันจะมีความเบือ่อแต่พอออกมาเนี่ยมันจะเจอความโกรธจะเจอความไม่พอใจนะก็ต้องรับมือกับมันให้ได้เนี่ยอันนี้คือการปฏิบัติอันนี้คือโอกาสที่ต้องปฏิบัตินะถ้าต้องการจิตใจที่สงบนะ เราก็ต้องนะพร้อมที่จะเผชิญกับเหตุการณ์เหล่านี้ไม่ว่าสิ่งยั่วยุให้โกรธสิ่งยย่ายวนให้ให้ชอบให้รักนะให้อยากถ้าไม่ปฏิบัติตรงนี้นะปฏิบัติแต่อยู่ในห้องแอร์หรืออยู่ในห้องพระหรืออยู่ใน้านจงกลมเดียวนี้มันไม่พอนะเพราะว่ายัางไม่ได้เจอของจริงที่เป็นตัวตัวโทสะตัวเพยาบาทแล้วก็ราคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะสหรับ พวกเราที่มาร่วมกันทําบุญในวันนี้เพราะว่าเราทําบุญกันในวันนี้เสร็จแม้ว่าจะมาเป็นร้อยหรือเป็นพันถึงเวลาก็ต้องแยกย้ายกลับไปกลับไปบ้านเรือนของตัวกลับไปอยู่กับตัวเองกลับไปเจอผู้คนถ้ากว่าเรามาทําบุญมาบําเพ็ญทานในวันนี้ดีแล้วแต่ว่ากลับไปเจอผู้คนเราลืมภาวนาเราลืมปฏิบัติใจเราก็จะทุกข์ใจเราก็จะเศร้าได้ง่ายหรือว่ากโกรธแค้นได้ง่ายเอาแล้วก็ เชานี้ก็พูดกับท่านนี้เตรียมรับพร